วิธีให้มานัดเพื่ออาบัตสามตัวและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้มานัดอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พันษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุ ก, กะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอปริวาาห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุ ก, กะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้ปริวาาห้าวัน เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตติปิดไว้หวันแก่กระผมแล้วกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงของการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่าง ไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้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 ภิกษ <occurs> <character> ุอ <serving each other> ุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาดห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงสง์ได้ให้ปริวาดห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ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 ภิกษุอุทายี น, นั้นจึงขอการชักเข้าห า, า, าอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ชักภิกษุอุทายีนั้นเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่ภิกษุอุทายีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อ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 ภิกษุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิในระหวา่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุทายีนั้นจึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิในระหวา่างไม่ได้ปิดบังไว้กับสง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 ภิกษุอุทายีนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงส่งชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสั ญ, ญ, ญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้น อยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละภิกษุอุทายีสงได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้